สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากชุภาสิบครั้งที่ห้าสิบสี่เรื่องคาเชิญชวนของปัญญาพระเจ้านะพระเจ้าอยู่ในุภาสิบบทที่แปดข้อสามสิบสองถึงสามสิบหกครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าดังนั้นลูกเอ๋ยจงฟังเราความสุขมีแก่ผู้ที่รักษาวิถีทางของเรา จงฟังคำสอนของเราแล้วจงฉลาดขึ้นอย่าเพิกเฉยละเลยความสุขมีแก่ผู้ที่ฟังเราเฝ้ารอเราทุกวันที่ริมประตูคอยท่าที่หน้าบ้านของเราเพราะผู้ใดก็ตามที่พบเราย่อมพบชีวิตและได้รับความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนผู้ที่พลาดจากเราก็ทำร้ายตนเอง ทุกคนที่เกลียดเราก็รักความตายพี่น้องครับโพธิญาพระเจ้าวันนี้เหมือนกับเป็นทางเลือกครับเหมือนกับเป็นคําเชิญชวนว่าถ้าเลือกถูกชีวิตก็จะถูกถ้าเลือกผิดชีวิตก็จะไปถึงความตายบุคคลผู้ใดที่ฟังปัญญาก็เป็นสุขพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่า ผู้เขียนสรุ ด, ดีผู้เขียนสุภาษิตผู้เขียนปัญญาจารหรือแล้วแต่เต็มไปด้วยสติปัญญาทั้งสิน้นแต่ตรงนี้เองทําให้เรารู้ว่าเมื่อกษัตริย์โซลมอนสอนบรรดาลูกลูกของพระองค์ท่านกระสัตถ์โซลโมนสอนให้ลูกของพระองค์เชื่อฟังปัญญาโดยผ่านคําสั่งสอนของตนเองทุกวันนี้ลูกลูกของเราหรือหลานหลานของเรา อาจจะไม่ได้ฟังคำสั่งสอนผ่านผู้หลักผู้ใหญ่แต่ไปฟังคำสั่งสอนของเพื่อนไปฟังคำสั่งสอนของโลกพี่น้องครับเราจะต้องนำเขากลับมาให้เราสามารถที่จะสอนและสั่งเขาได้ในแข่เดียวกันครับสิ่งที่เราสอนและสั่งเขาก็คือคำสอนของเรานั้นจะต้องประกอบด้วยปัญญาและในที่นี้พระองค์พี่บอกว่าเป็นพระปัญญาของพระเจ้า เราต้องสอนโพธนะของพระเจ้าเราต้องสอนแนวคิดทัศนติของพระกัมภีให้กับลูกหลานของเราพี่น้องครับเพิ่มพีบทนี้บทที่แปดนี้เน้นย้ำ ม, มากนะครับขณะที่บทที่เจ็ดพูดถึงเรื่องของผู้หญิงแพทยญญาหญิงโสเภณีแต่บทที่แปดนั้นก็คือพระปัญญาครับหรือคุณปัญญานั่นเองพี่น้องครับใครใครที่มีปัญญา ชีวิตของเขาจะสุขสงบและสบายคําว่าสุขสงบและสบายมีความหมายว่าชีวิตของเขานั้นจะได้อยู่ในทางของพระเจ้าอยู่ในพระพรอยู่ในความรักของพระเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่รักษาทางปัญญาก็จะมีความสุขสงบเขาจะรู้ครับว่าวิธีไหนที่จะทำให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ วิธีไหนที่เขาจะหักห้ามจิตใจของเขาไม่ทําบาปทําผิดทําชั่ววิธีไหนที่จะทำให้จิตใ จ, จเขานั้นและอารมณ์เขานั้นมีความสุขสงบสบายคนที่มีปัญญานั้นก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างครับในการเดียวกันผู้ใดนะครับที่มีจิตใจ จ, จดจ่อและเฝ้าพร้อมที่จะเชื่อฟังปัญญาท่านพี่บอกว่าเขาจะพบกับชีวิตเราต้องเชื่อฟังนะครับ พร้อมที่จะเชื่อฟังเฝ้าคอยให้ให้ราคาปัญญาให้สูงครับตีราคาปัญญาให้สูงตรงเนี้ครับเป็นท่าทีของเราของผู้ที่จะได้รับความสุขสงบและสบายข้อสําคัญของบทนี้นะครับก็คือผู้ใดที่พบปัญญาก็พบชีวิตและได้รับความพอใจจากพระเจ้าผู้ใดที่พบเราย่อมพบชีวิต และได้รับความโปรดปรานหรือความพอใจจากพระเจ้าในทางกลับกันครับถ้าผู้ใดพลาดขาดและปาสยากปัญญาก็กำลังทำให้ตัวเองเจ็บปวดครับและใครก็ตามที่เกลียดปัญญาเขาจะได้รับความโมรณนาสิ่งที่เน้นย้าในตอนนี้ครับก็คือว่านอกจากจะเป็นคำสั่งยังเป็นคำสอน โดยการฟังคำสอนของปัญญาที่ติดตามคำสอนนั้นใครก็ตามที่ทำอย่างนั้นจะได้รับความเฉลียวฉลาดและมีความสุขพระพอนี้นะครับได้มาจากการที่ติดตามปัญญาด้วยความร้อนรนด้วยการเฝ้าและรอคอยพี่น้องครับเราเห็นชัดเจนในบทนี้นะครับว่าปัญญานั้นให้ชีวิตและให้เราเป็นที่พอพัดไทยของพระเจ้าเป็นที่ยอมรับ เป็นที่พอใจได้รับความเห็นชอบจากพระเจ้าในทางกลมตงเงินข้ามครับใครก็ตามที่ปฏิเสธปัญญาใครก็ตามที่ปฏิเสธปัญญาจะเห็นอันตรายและความตายรออยู่ข้างหน้าจบได้ครับว่านี่คือทางเลือกสองประการครับพี่น้องทางเลือกสองประการในวันนี้ก็คือหนึ่งปัญญาเป็นทางแห่งชีวิตและสองความโง่ เป็นทางแห่งความตายปัญญาเป็นทางแห่งชีวิตและความโง่เป็นทางแห่งความตายฉะนั้นเราจะต้องระวังครับโซโลมอนบอกให้บุตรชายทั้งหลายของเขาทําการเลือกอย่างถูกต้องเราเองนั้นก็จะต้องระมัดระวังให้ลูกหลานของเราเลือกอย่างถูกต้องเช่นเดียวกันเลือกระหว่างปัญญาและเลือกระหว่างความงโง่เพราะปัญญาเป็นทางแหง่งชีวิต นำไปถึงชีวิตมีชีวิตรอคอยอยู่แต่ใครก็ตามที่ไม่ฟังปัญญาเขาจะเป็นคนโง่และความตายรอเขาอยู่เบื้องหน้าความทุกข์ยากลาบากรออยู่เบื้องหน้าสําหรับคนที่ไม่มีปัญญาไม่มีพระเจ้าทรงนําไม่มีพระเจนะเป็นเครื่องนําทางพี่น้องครับข้อท่องจำในเช้าวันนี้นะครับก็คือผู้ใด ที่พบปัญญาก็พบชีวิตและได้รับความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้อคิดในเช้าวันนี้ก็คือว่าเราได้รับความโปรดปรานหรือเปล่าครับเราต้องการความโปรดปรานจากพระเจ้าหรือเปล่าครับถ้าเราอยากจะรับความโปรดปรานจากพระเจ้ารับความเห็นชอบจากพระเจ้ารับความพอพระทัยของพระเจ้าเราเองนั้นก็ต้องเลือกที่จะฉวยปัญญาไว้ไล่ปัญญานำทางชีวิตของเรา ให้ปัญญานั่งอยู่นะครับบนเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งในชีวิตของเรานี่แหละครับก็คือถ้าเราเปรียบเทียบกับว่าปัญญานั้นก็คือพระเจ้านั่นเองเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานปัญญาให้กับเรานะครับให้เราท่องจําข้อพิมพีในวันนี้นะครับผู้ใดที่พบปัญญาก็พบชีวิตและได้รับความโปรดปรานจากองค์พระบู้เป็นเจ้าผู้ใดที่พบปัญญาก็พบชีวิต และได้รับความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าท่องอีกครั้งหนึ่งครับผู้ใดที่พบปัญญาก็พบชีวิตและได้รับความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าวันนี้ที่เราจะเลือกปัญญาเพราะว่าผู้ใดที่พบปัญญาก็พบชีวิตและได้รับความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมน